สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศรีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในบทเรียนจากสุภาษิตบทเรียนจากสุภาษิตครั้งที่สามสิบเก้าเรื่องหกสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าทรงชังเพราะเจ้านักของพระเจ้านะครับอยู่ในพระธรรมสุภาษิตบทที่หกข้อสิบหกถึงข้อที่สิบเก้า โปรดฟังพระชนะของพระเจ้ามีหกสิ่งที่พระเจ้าทรงเกลียดเจ็ดสิ่งที่พระเจ้าทรงชังตายะโสลิ้นมุษามือที่เข็นฆ่าผู้บริสุทธิ์จิตใจที่คิดการชั่วเท้าที่ปราดไปทำชั่ว พยานเทปผู้กล่าวบุษาและคนที่ยุให้ยากิพี่น้องแตกแยกกันพี่นะครับถ้ากำพีตอนนี้เมื่ออ่านแล้วนะครับหลายๆคนก็สงสัยครับว่าทําไมมีหกแล้วก็มีเจ็ดงงอ่านแล้วดูเหมือนว่าผู้เขียนอาจจะลืมหรือเข็นเข็นไปก็อาจจะเป็นลักษณะที่ว่าคิดขึ้นมาใหม่ได้อ้อยังมีอย่างที่เจ็ดอีกแสดงว่าผู้เขียนนั้น ก็ละเลยหรือแสดงจุดอ่อนออกมาให้เราเห็นหรือเปล่าคำตอบคือไม่ใช่ครับแท้จริงแล้วรูปแบบการเขียนที่จะช่วยความทรงจำที่คนยิวหรือคนฮีบรูมักจะใช้เพื่อที่จะให้เด็กๆท่องก็จะเป็นรูปแบบนี้แหละครับถือว่าเป็นเทคนิคช่วยจำ 6-7 อย่าง เหมือนกับเราบอกว่าสองสามอย่างสามสี่อย่างที่นี่บอกว่าหกเจ็ดอย่างหกเจ็ดอย่างซึ่งหมายถึงสิ่งที่พระเจ้าไม่ชอบรังเกียจเกลียดชังสะอิดสะเอียนพี่น้องครับนอกจากจะเป็นเทคนิคช่วยจำแล้วนะครับยังเป็นลักษณะของการเน้นนะครับเน้นตั้งแต่แรกสะสมไปเรื่อยจนกระทั่งถึง อย่างสุดท้ายไม่ให้มีการตกหล่นครับและอย่างสุดท้ายนั้นก็เป็นถือว่าเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดพี่น้องครับความเกลียดชังความบาปของพระเจ้านั้นเป็นสิ่งที่เราจะต้องให้ความสําคัญพระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปแต่พระเจ้าทรงรักคนบาปตัวเลขหกนั้นเป็นตัวเลขที่ไม่สมบูรณ์ในขณะที่ตัวเลขเจ็ดนั้นเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์ พี่น้องครับสมบูรณ์ไม่ได้หมายความว่า perfect แต่หมายความว่า complete เจ็ดอย่างที่พระเจ้าทรงเกลียดพระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปทุกชนิดครับพี่น้องแต่เจ็ดอย่างนี่แหละครับเป็นตัวเลขที่สมบูรณ์เป็นตัวเลขที่ทำให้เรารู้ว่าพระเจ้าไม่พอพัฒนายอย่างมาก ในท่าทีความคิดคำพูดการกระทำและการแสดงอิทธิพลของความบาปทั้งเจ็ดรายการนี้พิงครัาทั้งเจ็ดรายการนี้เป็นความบาปเจ็ดชนิดที่สามารถแบ่งออกเป็นเรื่องของท่าทีในใจความคิดคำพูดการกระทำและการแสดงออกซึ่งอิทธิพลทำให้เกิดความแตกแยกเราจะเห็นรูปแบบ เช่นเดียวกันนี้ในพระธรรมอิชยาพี่น้องครับเราจะมาเริ่มนะครับว่าในพระคัมภีร์สุภาษิตบทที่หกข้อสิบหกได้กล่าวถึงสิ่งที่พระเจ้าทรงรังเกียจในภาษาอังกฤษนั้นก็คือคำว่า abomination หรือ a b o m i n a t i o n a b o m i n a t i o n abomination ในพระคัมภีร์เดนิลแปลว่า หน้าเสอิดสะเอียนมีความบาปเจ็ดชนิดที่น่าเสอิดเสะเอียนต่อเบื้องพระพักของพระเจ้าอย่าลืมนะครับพี่น้องครับแท้จริงพระเจ้ารังเกียจความบาปแต่พระเจ้ารักคนบาปแต่บาปหกเจ็ดอย่างนี้นะครับเป็นบาปที่น่าสอิดสะเอียนต่อพระเจ้าในเช้าวันนี้เราจะมาดูประการแรกครับประการเดียวก็คือตาที่อยากโศพี่น้องครับเวลาที่เรา มองตาเราจะรู้ว่าตาของเขานั้นเป็นตาชนิดไหนเป็นตาแห่งความถมใจหรือเป็นตาของคนที่หญิงยะโสคนที่ตาหญิงยะโสนั้นเวลาที่เขาเดินไปไหนมาไหนนะครับมันจะออกมาด้วยสายตาและท่าทางแสดงถึงท่าทีที่อยู่ในใจอันหญิงพยองนะครับคำว่าหญิงพยองนั้นก็คือความรู้สึกยะโส เป็นความรู้สึกที่แตกต่างจากความรู้สึกภูมิฐานเป็นนะคับความรู้สึกภูมิฐานนั้นเป็นความรู้สึกสบายใจเป็นความรู้สึกว่าตัวเองนั้นมีประสบความสําเร็จได้รับการยกย่องแต่ความรู้สึกภูมิฐานที่เกินขอบเขตนะครับถือว่าเป็นความหยิ่งยโสเพียงครับความรู้สึกภูมิฐานกับความรู้สึกหยิ่งยโสแตกต่างกันมีเส้นบางๆนิดเดียวนะครับในชุฟาสิตบทที่สิบหกข้อสิบปดบอกว่า ความหญิงยโสหรือการหญิงยโสนั้นเดินนําหน้าการถูกทําลายครับความหญิงยโสนั้นเดินนําหน้าการถูกทําลายความหญิงยโสนั้นเป็นท่าทีของพวกฟาริสีในพระธรรมลูกาบทที่สิบแปดข้อที่เก้าจนถึงข้อที่สิบสี่ได้พูดถึงความหญิงยโสที่พวกฟาริสีนั้นกระทําไม่ว่าจะเป็นการอธิษฐานอยู่ในสถานที่ชุมนุมชน อธิษฐานด้วยเสียงดังอธิษฐานโดยท่าทีที่พยายามที่จะเหยียดคนอื่นลงไปกดคนอื่นลงไปเพื่อให้ตัวเองนั้นสูงขึ้นท่าทีของความเป็นซูเปอร์คริสเตียนหลายลคนนั้นเป็นอย่างนี้ก็คือความหญิงยโสฝ่ายวิญญาณคำว่าซูเปอร์คริสเตียนนั้นเป็นศัพท์ที่หลายละคนใช้เพื่อที่จะบอกว่าตัวฉันนั้นเป็นคริสเตียนอีกระดับหนึ่ง นั่นคือเขาสามารถก้าวสู่มิติฝ่ยายวิญญาณที่เหนือกว่าคนอื่นอาจจะเป็นความหญิงยัตโศของคริสเตียนเราก็ได้ที่คิดว่าตัวเรานั้นเหนือกว่าคนอื่นแต่จริงแล้วในสายพเนตรของพระเจ้านั้นเราทั้งหลายเป็นคนบาปครับเราอาจจะมีของประทานที่แตกต่างกันแต่อย่าให้ของประทานนั้นจะทําให้เราแตกแยกและในทางปฏิบันอย่าให้ของประทานที่เรามีอยู่จากพระเจ้านั้น ซึ่งเป็นทักคุณของพระเจ้าซึ่งเราไม่สมควรได้รับแต่เราก็ยังได้เมื่อเราได้รับแล้วเราควรจะต้องถ่อมใจและใช้ของประทานนั้นในการรับใช้ผู้อื่นรับใช้ผู้อื่นโดยปราศจากความหยิ่งยโสปราศจากความรู้สึกว่าคนอื่นๆนั้นสู้เราไม่ได้พี่น้องครับบุคคลใดก็ตามที่คิดว่าตัวเองสมบูรณ์แบบหรือเพอร์เฟกคนพวกนี้ไม่สามารถรับคาสอนจากคนอื่นๆได้ ไม่สามารถรับการเตือนสติจากคนอื่นได้ไม่สามารถที่จะพัฒนาตัวเองได้และพวกเขานั้นจะในที่สุดแล้วสแสวงหาชื่อเสียงของตัวเองไม่หาพระเจ้าไม่สแสวงหาความดีงามชีวิตที่บริสุทธิ์แต่สแสวงหาเกียรติจากคนอื่นการยกย่องจากคนอื่นและเขาจะเจอกับคนยกยอปอบปั้น เราจะต้องแสวงหาสิ่งที่ดีงามครับและชีวิตที่ครบบริบูรณ์จากองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราในพงศมพีเดิมนะครับ2พงศวรดานบทที่26 16, ข้อ16ก็กล่าวถึงกษัตริย์องค์หนึ่งครับชื่อกษัตริย์อุตสียานะครับกษัตริย์อุศสยานั้นมีทระไทยที่หญิงพยองทำให้ในที่สุดนั้นกษัตริย์อุศสยาถูกทำลายพี่น้องครับในเช้าวันนี้นะครับผมอยากจะสุบนะครับว่าขอให้เรา จงมีท่าทีแห่งความถ่อมใจเพราะว่าพระพีบอกว่าความถ่อมใจนั้นเดินนำหน้าเกียรตินั้นการแสวงหาของเราก็คือแสวงหาความถ่อมใจที่เกิดขึ้นอย่างแท้จริงก็ต้องเริ่มจากท่าทีภายในใจก่อนครับท่าทีภายในใจนี้สำคัญมากมีคำพูดนะครับบอกว่า Pride ก็คือความหยิ่งยโสนั้น is the oldest sin ก็คือความบาปที่เก่าแก่ที่สุด แล้วก็ในขณะเดียวกันครับ p r i สプ is one of the deadliest sin ก็คือว่าเป็นหนึ่งในความบาปที่นำไปสู่ความตายพี่น้องครับทำไมプライส is the oldest sin เพราะว่าความบาปความบาปแรกเริ่มโบราณที่สุดเก่าแก่ที่สุดก็คือความบาปที่อยากจะเท่าเทียมกับพระเจ้าอยากจะรู้เหมือนที่พระเจ้ารู้ อยากจะรู้สึกดีชั่วเหมือนอย่างที่พระเจ้ารู้สึกซึ่งเกิดขึ้นกับอาดัมเอวาและเกิดขึ้นกับมารซาตานซึ่งตกอยู่ในความผิดความบาปเพราะว่าไทรนั่นเองความหญิงยะโซเดินหรือว่านำหน้าการถูกทำลายขอพยกเช่วยเรานะครับในการที่เราจะอธิษฐานสารภาพความผิดบาปแห่งความหญิงยโซ Amen.